45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเทวทูตพระอาจารย์ผู้อธิบายมดเทวสูตรได้กล่าวอธิบายขำไว้ว่าเทวทูตแปลว่า ทูตของเทวะอะไรคือเทวะยกตัวอย่างว่ามัจจุหรือความตายชื่อว่าเทวทูตของมัจจุชื่อว่าเทวทูต อ, อ, อย่างหนึ่งได้แก่ทุกสิ่งที่เตือนว่าใกล้ความตายเข้าทุกทีเช่นเมื่อเส้นผมบนทิษะงอกก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าใกล้ความตายเข้าแล้วผมงอกจึงเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งทุกๆสิ่งที่เป็นลักษณะแห่งเกิดแก่ ตายและราชทันชื่อว่าเทวะทั้งนั้นและเพราะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนอย่างทูตมาบอกข่าวจึงเรียกว่าเทวทูตอีกอย่างหนึ่งเทวทูตแปลว่าทูตเหมือนเท พ, พ ย, ยดาคล้ายคําว่าทูตสวรรค์คือเหมือนเทวดามาบอกเตือนให้ไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งเทวทูตแปลว่าทูตของวิสุทธิเทพหมายถึงพระอรหรันต มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะได้สอนให้พิจารณาหนึ่ ง, งเพื่อความไม่ประมาทฉะนั้นเมื่อเห็นเทวทูตก็ย่อมจะไม่ประมาทและเว้นทุจริตต่างๆได้ส่วนคนที่ประพฤติ ท, ทุจริตต่างๆนั้นก็พร้อมไม่เห็นเทวทูตมาตักเตือนใจจึงเป็นผู้ประมาทมัวเมาต่างๆแม้จะได้พบเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายและคนถูกลงราชทัน แต่ก็ไม่ได้ข้อเตือนใจเทวทูตก็ไม่ปรากฏเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตนั่นเองฉะนั้นคนที่ทำบาปทุจริตทั้งปวงเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตทั้งนั้นตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเทวทูตไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดาจะเห็นได้ด้วยตาปัญญาเช่นยิียวกับเทวดาหรือตามที่เชื่อถือกันตาธรรมดามองไม่เห็น น่าจะเรียกว่าเทวทูตเพราะมีแยบยนต์ดังกล่าวนี้ด้วยครั้นยมราชสักแล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่เห็นเทวทูตคือได้ทําบาปทุจริตแล้วก็นิ่งอยู่หาได้สั่งให้ลงโทษอย่างไรไม่การที่สักถามนั้นก็เป็นเงื่อนให้คิดว่าเตือนให้ระลึกถึงบุญกุศลคือความดีที่ได้ทํามาแล้วด้วยความไม่ประมาทเพราะได้เห็นเทวทูตในบางครั้งบางคราวถ้าไม่ได้ทําบุญกุศลไว้บ้างเลย ก็เป็นการจนใจช่วยไม่ได้ดูยมราชก็จะช่วยอยู่เท่ากับเป็นตัวสตินั่นเองแต่เมื่อช่วยไม่ได้ไม่ได้สติที่จะระลึกถึงกติธรรมดาและบุญกุศลบ้างเลยแล้วก็จำต้องนิ่งอยู่เหมือนอย่างวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมยมราชจึงไม่ต้องสั่งลงโทษสัตว์ผู้ทาบาปต้องเป็นไปตามกรรมของตนเองตามหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเทวทูตสูตรนี้ จึงแฝงกติธรรมที่สุขุมอยู่มากแต่แสดงเป็นปุคลาทิฏฐานคือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตนและแสดงนรกตามเขากติความคิดเรื่องนรกในชาดกดังกล่าวนั่นแหละแต่ประปรุงรวบรัดเข้าแต่พระอาจารย์ก็ยังอธิบายให้เข้ากันกับนรกในชาดกคืออธิบายว่ามหานิรยะที่กล่าวในเทวทูตสูตรก็คืออวีจิรยะหรืออเวจีนรก อเวจีในชาดกสําหรับบาปหนักแต่มหานิรอยะในพระสูตรเป็นนรกกลางสําหรับบาปทั่วไปเพราะมิได้ระบุประเภทชนิดของบาปไว้ทั้งในพระสูตรนี้ยังเอื้อถึงกฎหมายบ้านเมืองแสดงราชธรรมเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเพราะแม้จะไม่คํานึงถึงกติธรรมดานึกถึงกฎหมายบ้านเมืองกเกรงราชธรรมก็ยังช่วยให้ละเว้นทุติติต่างๆตามกฎหมายได้เป็นเข้าเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่งชาติ และศาสนาเหมาะดีอยู่และในเทวทูตสูตรนั้นไม่ได้กล่าวว่านรกอยู่ที่ไหนต่างจากคติที่กล่าวว่านรกอยู่ใต้แผ่นดินนี้ลงไปซึ่งพระอาจารย์นํามาอธิบายนรกที่กล่าวในชาดกพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าคติความคิดว่านรกอยู่ใต้พื้นแผ่นดินน่าจะเป็นของเก่ากว่าคือเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเช่นเดียวกับคติเรื่องกับกันและสีทวีป แล้วจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นกติความคิดที่ไม่แสดงว่าอยู่ที่ไหนทั้งในพระสูตรนั้นกล่าวว่าสัตว์นรกไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมต่างจากที่พระอาจารย์อธิบายในชาดกว่าตายแต่เกิดอีกทันทียังมีนรกอีกสิบชื่อต่างจากชื่อนรกที่กล่าวแล้วแสดงไว้ในคำภีชั้นบาลีเหมือนกันไม่ได้กล่าวถึงวิธีทรมานแสดงแต่ระยะ ก, การที่สัตว์นรกจะต้องสวทุกตั้งแต่นรกที่หนึ่ง จนถึงที่สิยืดยาวกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับอย่างกำหนดการจำคุกในกฎหมายคือ 1. อัพอุทะมีเกณฑ์ น, นับดังนี้มเมล็ดงาโกสนเต็มเกวียนอันบรรทุกน้ำหนักได้20สิบคารีหรือสี่ปัฏามคตเป็นหนึ่งปัฏฐโกสลสี่ปัฏฐานั้นเป็นหนึ่งอรหกะสี่อรหกะเป็นหนึ่งโทนะสี่โทนะเป็นหนึ่งมานิกะ สีมานิกาเป็นหนึ่งขาลีล่วงแสงปีหยิบเอาออกเสียมล็ดหนึ่งมเมล็ดงานนั้นจหมดก่อนอภุ tha หนึ่งสองรธาหนึ่งเท่ากับ20สอภุ t h 3. าอภพพะหนึ่งเท่ากับ20นิรภธาอหหะ ห, หนึ่งเท่ากับ20สอภพพาอาตตะหนึ่งเท่ากับ20สบอะหะ 6. กุมุธาหนึ่งเท่ากับ20สอตตะ โศขันธิกาหนึ่งเท่ากับ20กุมุทะ 8. อุปละหนึ่งเท่ากับ20โสคันธิกะ 9. ปุณธิกาหนึ่งเท่ากับ20อุปละสิบะมุทะหนึ่งเท่ากับ20ปุณัรฐิกะพระอาจารย์แสดงการคำนวณปีไว้ดังนี้ร้อยแสนเป็นโกรดร้อยแสนโกรดเป็นประกดร้อยแสนประกฏเป็นโกรดประกฏ ร้อยแสนโกดประกฏเป็นนหุตร้อยแส น, นหุดเป็นนินหนหุดร้อยแสนนินหนหุดเป็นหนึ่งอภูธะยีสบอภูธะเป็นหนึ่งนิรภูธะต่อจากนั้นก็คูณด้วยยีสบโดยลําดับและท่านอธิบายว่าอภูธะเป็นต้นไม่ใช่เป็นนรกแผนกหนึ่งแต่หมายถึงเกณฑ์คํานวณระยะการที่จะต้องไม่ทรมานอยู่ในอวีจินิยยะนั่นเอง เมื่อมีระยะการยืดยาวที่จะพึงคำนวณด้วยอภูตคณน า, นาก็เรียกว่าอภุตะนนรพุทะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันตามอธิบายของท่านนี้ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็นชื่อสังขยาเหมือนอย่างคำว่าโกธนหุดเป็นต้นนรกรอบนอกบางคราวสัตว์นรกหนีออกไปได้ทางประตูใดประตูหนึ่งแต่ก็ไปตกนรกใหญ่ ซึ่งมีอยู่หลายนารกด้วยกันตั้งอยู่ถัด ก, กันออกไปโดยลําดับคือ 1. คูดนิระยะแปลว่านรกคูดมีสัตว์ปากแหลมมึนยังเข็มพากันบ่อนผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อกระดูกเจ็บปวดรวดร้าวอย่างหนักแต่ก็ไม่ตาย 2. กุกกะกุนนิระยะแปลว่านรกเท่ารึงอยู่ถัดจากนรกคูดไปเต็มไปด้วยทานเพลิง มีเปลวร้อนแรงสมเผาให้เร่าร้อนแต่ก็ไม่ตาย 3. สิมะภริวนนิริยะแปลว่านรกป่าไม้นิ้วอยู่ทัดจังนรกเท่ารึงไปมีป่านิ้วใหญ่แต่ละต้นสูงตั้งยชดมีหนามยาว16นิ้วร้อนโชนถูกให้ปีนขึ้นปีนลงต้นนิ้วถูกหนามทิ่มแทงเจ็บปวดร้อนแรงแต่ก็ไม่ตาย 4. อสิปตวนาริยะ แปลว่านรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเมื่อถูกลมพัดก็บาดมือเท้าใบหูและจมูกให้เกิดทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายห้าคาโรทกาณฑทีนิรยะแปลว่านรกแม่น้ําด่างหรือน้ํากรดอยู่ถ้าไปจานรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเป็นที่ตกลอยไปตามกระแสบ้าำทวนกระแสบ้าง รีรีขวางแขวงบ้างสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาบนบกถามว่าอยากอะไรเขาบอกว่าหิวนายนิรยาบาลเอาขอเหล็กแดงงัดปากยัดก้อนเหล็กแดงเข้าไปไม่ริมฟีปากไม่ปากคออกผาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางเบื้องล่างแต่ถ้าเขาบอกว่ากระหาย นายนิรยาบาลงัดปากเอาทองแดงละลายควางกรอกเข้าไปในปากเผาเอา ว, วัยวะที่กล่าวแล้วนำออกมาเบื้องล่างสวยทุกเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนรกแม่น้าด่างนี้พระอาจารย์อธิบายว่าเรียกว่านรกแม่น้ำเวตระนีชื่อเดียวกับนรกบริวารในชาดกที่กล่าวมาแล้วนายนิรยาบาลเอาตัวใส่เข้าไปในมหานิรยะอี เขาสวยทุกขเวทนาแรงกล้าถึงเพียงนั้นก็ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมพระยายมในท้ายพระสูตรกล่าวว่ายมราชคิดถึงเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปถูกทำกรรมกรต่างๆอย่างนั้นยมราชเองปรารถนาความเป็นมนุษย์และได้พบได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอุบัติขึ้นในโลกพระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ยมราชเป็นราชาแห่งเปรตที่มีวิมานในคราวหนึ่งสวยที่พยสสมบัติในคราวหนึ่ ง, ปะะงเป็นธรรมิกราชสวยกรรมวิบากและกล่าวถึงพระเทวทัตว่าบังเกิดในมหานิรยะหรืออวีจินิรยะนั้นยืนถูกทรมานอยู่เท้าทั้งสองจมพื้นโลหะถึงข้อเท้ามือทั้งสองจมฝาโลหะถึงข้อมือศีรษะเข้าไปในเพดานโลหะถึงคิ้ว เหล้หาโลหะอันหนึ่งออกจากพื้นเบื้องล่างแทงร่างกายทะลุขึ้นไปในเพดานหอกอันหนึ่งออกจากฝาทิศตะวันออกแทงทะลุอาไทไปเข้าฝาทิศตะวันตกหอกอีกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงไปเข้าฝาทิศใต้ถูกตรึงแน่นไม่วันไหวไม่อยู่ซึ่งมีรูปเขียนไว้ในโบทบางแห่งคติเรื่องนรกในพระสูตรที่กล่าวมา ดูก็คล้ายคึงกันกันกบนยชาดกแต่มีเพี้ยนกันดูน่าจะมีคติความคิดในสายเดียวกันแต่ประปรุงแก้ไขให้เข้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นและให้มีความกว้างขวางขึ้นนรกใ น, ในมิราชชาดกกล่าวถึงนรกสิบห้าขุมซึ่งพระเจ้าในมิราชเสด็จไปเที่ยวดูส่วนในสังกิตชาดกกล่าวถึงนรกแปขุมดูก็น่าจะมาจากคติความคิดสองฝ่ายแต่พระอาจารย์อธิบายให้เกี่ยวกันว่า นรกแปขุมนั้นมีนรกบริวารอีกขุมละ16ทั้งยังมีนรกอนุบริวารอีกมากมายและนรกที่พระเจ้านิมิราชเสด็จไปเที่ยวดูนั้นเป็นนรกบริวารของนรกที่หนึ่งที่กล่าวในสังกิตจะชาดกจึงต้องเพิ่มเข้าอีกขุมหนึ่งให้ครบ16คือนรกไม้นิ้วดังกล่าวในไตรภูมิพระร่วงและยังได้อธิบายถึงบาประเพชนิสต่างๆที่ทําให้ไปตกนรกต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็ยังไม่ได้เหตุผลและหลักเกณฑ์เพียงพอทั้งบาปต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีอีกมากครั้นมาถึงเทวทูตสูตรไม่ได้ระบุประเภทชนิดของบาปโดยเฉพาะไว้แต่ระบุรวมกันไปว่าประพฤติทุจริตต่างๆเป็นต้นเท่ากับวางแม่บทใหญ่ไว้ว่าเมื่อประพฤติทุจริตก็จะต้องไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นการแสดงเข้าหลักใหญ่เหมือนอย่างคาว่า ทำชั่วได้ชั่วเมื่อกล่าวถึงนรกก็แสดงนรกเป็นหลักไว้เพียงหนึ่งคือมหานิรยะนอกจากนั้นเป็นนรกประกอบทั้งได้กล่าวถึงเจ้านารกคือยมราชมีนายนิรยาบาลทั้งหลายเป็นลูกมือส่นในชาดกไม่ได้กล่าวถึงยมราชกล่าวถึงแต่นายนิรยาบาลซึ่งมีอยู่ในนรกขุมตื้นหน้าที่ของยมราชคือเป็นผู้สักถาผู้ที่ทำบาปที่ถูกนําตัวเข้าไป หลังสักถามคือเทวทูต5ถ้าพิจารณาดูตรงๆก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นกฎเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยได้อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาโดยหลักธรรมก็อาจจะเห็นความมุ่งหมายว่าคนที่ทำบาปทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะมีความประมาทไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้คิดถึงราชทันคือไม่เกรงกฎหมายบ้านเมือง เรียกว่าไม่เห็นเทวทูตนรกในนิกายลามะนรกทั้งสิบตามที่กล่าวมานี้ท่าในได้ใช้คำว่านิระยะประจำอยู่ทุกคาดูเขาเงื่อจะเป็นนรกอีกแผนกหนึ่งแต่พบในหนังสือกล่าวถึงนรกตามอัฐิลามะของทิเบตกล่าวว่านรกมีสองส่วนคือนรกร้อนและนรกเย็นผู้เรียบเรียงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่หนาวเย็นจึงมีนรกเย็นขึ้นอีกส่วนหนึ่งแต่พระพุทธศาสนาฝ่ายใต้แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวเย็นร้ายกาจจึงมีแต่นรกร้อนเท่านั้นนรกร้อนแปดขุมตามรัติลามะนั้นมีชื่อเหมือนกันกันกบนรกใหญ่แปดขุมทางฝ่ายใต้และตั้งอยู่ก้นบึ้งของแผ่นดินเช่นเดียวกันส่วนานารกเย็นอีกแปดขุมตั้งอยู่ภายใต้ของกำแพงที่วงรอบโลกหรือจักรวาล มีภูเขาน้ำแข็งล้อมรอบและมีนายนิรยาบาลที่น่ากลัวเหมือนในนรกร้อนมีชื่อเป็นภาษาสันสกฤตดังต่อไปนี้ 1. อรพุทธะแปลว่าบวมเจ็บปวดคือสัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น้ำแข็งที่เลื่อนไหลไปมีร่างกายเช่นมือเท้าบวมเบ่งเจ็บปวดด้วยความหนาวเย็นภาษาบาลีว่าอัพุทธะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่หนึ่งสอง เนร ล, ละพุทธร่างกายเช่นมือเท้าบวมเบ่งยิ่งขึ้นเป็นเม็ดเจ็บปวดมีโลหิตไหลออกซิบซิบเจ็บปวดรุดร้าวด้วยความหนาวภาษาบาลีว่านิรละพุทธเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สองสอัตตะคือร้องไม่เป็นภาษาด้วยความทุกข์ทรมานภาษาบาลีว่าอัตตะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ห้าสี่าวะ คือตนาวเย็นยิ่งขึ้นจนเลนแข็งร้องแต่ว่าฮะหะเท่านั้นคล้ายอภพะซึ่งเป็นชื่อภาษาบาลีของนรกสิบขุมที่สามหอะหะหะขากไกลๆและฟันกระทบกันเพราะความหนาวภาษาบาลีอย่างเดียวกันเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ส6อุตประละอาการบวมเบ่งเจ็บปวดของร่างกายบวมเบ่งมากจนเหมือนดอกบัวเขียว ภาษาบาลีว่าอุปปล ะ, ะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่8ปดเปัตถมะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบซิบผุพองมากขึ้นจนเหมือนดอกโบวแดงภาษาบาลีว่าปัทถุมะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่9ก้าแปุณณัทรกะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบซิบนั้นบวมเบ่งมากขึ้นจนเนื้อหลุดออกจากกระดูกเหมือนกลีบดอกโบวใหญ่หลุดออกไป มีนกแล ะ, มะแมลงปากเหล็กจิกกัดได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสภาษาบาลีก็ว่าปุณธริกเป็นชื่อนรกสิบขุมที่1ิบนรกเย็น8ดขุมดังกล่าวนี้ได้เทียบกับนรกสิบไว้ด้วยแล้วมีชื่อเดียวกันเกือบทั้งหมดต่างแต่ใช้ภาษาบาลีหรือมคตฝ่ายหนึ่งใช้ภาษาสันสกฤตฝ่ายหนึ่งนรกสิบมีเพิ่มกุมุทะหรือที่6และโสขันทิกะหรือที่เจ็ด นรกแปก็ขาดสองชื่อนี้แม้จะชื่อเดียวกันแต่ก็เรียงลาดับสับกันดังที่เทียบไว้แล้วน่าตั้งข้อสังเกตว่ามาจากเข้าคติเดียวกันฝ่ายไหนจะได้จากฝ่ายไหนไม่อาจทราบได้ส่วนคําอธิบายต่างกันไปคนละอย่างทางรัติลามะของทิเบตนั้นมีกล่าวต่อไปว่ายังมีนรกที่เป็นด้านหน้าที่ทางออกจากนรกใหญ่อีกสี่ส่วนคือหนึ่งอัคนิสนรก แปลว่าขุมไฟเต็มไปด้วยเท่าฐานที่ร้อนแรงทำให้หายใจไม่ออกเป็นเท่าฐานของซากศพและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด 2. คุณทปังกะแปลว่าสถานแห่งซากศพอยู่ถัดไปจากอคนินรก 3. คุรทาราวณนะแปลว่าป่าไม้คมมิโกลคือป่าไม้แห่งหอกและจัดอันคมเหมือนใบมิโกล อยู่ถัดไปจากนรกที่สองสอสิทธาราวนะแปลว่าป่าไม้คมดาบคือป่าไม้ใบเป็นดาบอยู่ถัดนรกที่สแต่มีแม่น้ำแข็งขั้นอยู่สัตว์นรกนี้จากนรกที่สข้ามแม่น้ำนั้นได้แล้วขึ้นฝั่งเป็นนรกที่สต้องถูกไปไม้คมดาบบาดเจ็บทรมานมีพิธีสวดสำหรับผู้ตายขอให้แม่น้ำแข็งซึ่งใหญ่โตปานมหาสมุทรเป็นลาธารเล็ก และขอให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็นต้นกรลปรพรัพพฤกต์อำ่ำนวยความสําเร็จปรารถนาสิ่งต่างๆนรกรอบนอกเหล่านี้ดูเขาเดียวกันกับนรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูตสูตรน่าจะมาจากคติเดิมเดียวกันและนรกเย็นขุมที่หนึ่งคืออรพุทธหรืออภุต t ใช้ชื่อเดียวกันกับกําเนิดรูปกายในคันมารดาที่แสดงไว้ในอินท ก, กาสูตรสังยุตตนิกายว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นกะ ล, ละะ สัปดาห์ที่สองเป็นอพุทธะหรืออัมพุทธะคือเริ่มมีสีเรื่อเป็นน้ำล้างเนื้อแต่ยังเหลวเหมือนดีบุกเหลวซึ่งจะแสดงในภรษาที่เจ็ในรัติลามะนั้นยังกล่าวว่ามีนรกภายนอกอีกมากมายจำนวนถึงแปดมืนสี่พันโดยมากตั้งอยู่บนพื้นโลกในภูเขาในที่รกร้างในที่ร้อนในทะเลสาบโปรดติดตามรับฟัง 4ี่ห้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพพลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป